ไม่มีพิษไม่มีภายอะไรแต่มันก็ชื่ให้เห็นว่าคนเรานี่เมื่อมีความโกรธมีความเกลียดแล้วนี่อะไรอะไรก็สามารถจะเป็นอาวุธสามารถจะกลายเป็นสิ่งทำลายล้างได้อย่างที่เราทราบกันดีคนที่เขาขับเครื่องบินชนตึก World Trade นะเขาก็มีอาวุธไม่เท่าไหร่นะ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 ถ้านับดูแล้วนี่คนที่ตายสืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้น่าจะหลายแสนเพอเอจะเป็นล้านด้ซ้ำเพราะว่ามันก็นำไปสู่สงครามที่ตามมาในอัฟก า, านิสถานในปากีสถานในอิรักแล้วตอนนี้ก็ลามไปถึงตะวันออกกลางซีเรีย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 ภาคตะวันออกอ่าวสารถจาดชภาคตะันี่ตายกันเป็น5 0า0ันกว่าคน 6,000 แล้วมั้งนี่เฉพาะช่วงตั้งแต่ปี47อันนี้ก็เป็นผลซื้อเนื่องมาจากเหตุการณ์ส1ปกตนยาเหมือนกันมันกระทบกลัางกล้างไกลามากทีเดียวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะความโกรธความเกลียดที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจผู้คน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 แต่ว่าถ้าทำให้ใครตายแล้วนี่ ม, นมันสายเกินไปนาะที่จะทาให้เกิดการคืนดีกันได้หการเ์สปกันยายมันก็มันสะท้อนเห็นหนึ่งเนี่ยว่าคนเรานี่มันเป็นระเบิดที่ยังไม่ได้จุดชนวนโดยแท้เลยถ้าโกรธเกรียดเมื่อไหร่นยก็สามารถจะสร้างความชิบหายให้เกิดขึ้นได้ไม่ต้องมีอาวุธมันก็ทาให สิ่งธรรมดารรมดากลายเป็นอาวุธขึ้นมาได้แต่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ชื่อเห็นเลยวนะว่าความรุนแรงนี่มันไม่ใช่คำตอบเลยอย่างเช่นพอสหรัฐอเมริกาเจอเหตุการณ์เะเบกัญยาก็แก้แค้นตอบโต้ด้วยการไปถล่มอัฟกานิสถานไปถล่มอิรัก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 2,000 กว่าปีแล้วนะวเวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนนะแต่ระ ง, งับดยการไม่จองเวนแล้วมาดูในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็โลละแต่เป็นเพราะเปรอยการำทำเียงกับเขาอย่างอเมริกานี่ที่ถูกเบลเดนเล่นงาน l บลเดนเป็นใครเบลเดนก็เคยได้รับการฟูมฟักจากอเมริกา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 และเป็นไงเบลเดนในสกเอาปืนที่ได้รับจากอเมริกานี่แหละเอาอาวุธที่ได้รับจากอเมริกานี่แหละมาใช้ในการถล่มอเมริกาซะเองอันนี้เรียกว่ า, าให้ทุกข์แก่ใครทุกนั่นถึงตัวนไปไปสนับสนุนใครให้ไปกาะกลุ่มทำเข้นแก่คนนั่นคนนี้ไอคนนั้นแหละนะสักวันนึงมันจะกลับมา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 จองเวกับพระพุทธเจ้ามากเลยลก่อคำทำเขียนแก่พระพุทธเจ้าอาทิแรกก็มีความมาักใหญ่ไฟสูงอยากจะปกครองคณะสงฆ์สืบต่อจากพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าวันเนียจะขอปกครองแทนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปฏิเสธนะบอกว่า แม้แต่โมฆะคณะาสาัฤบุตรพระองค์ก็ยังไม่ได้มอบหมายให้ปกครองคณะสงฆ์เลยนะและจะมอบหมายให้ฉันใช้ว่าทาบศพนะทาบศพอย่างเธอนี่ปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างไรนะเพราะว่าพระเทวท่า น, นี่พฤติกรรมก็ก็สอสแสดงว่าไม่เป็นคนที่ไฟมักใหญ่ไฟสูงติดในลาบสักดิ์ะมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วพระองค์ก็จึงไม่ ไม่มีความไว้วางใจพระเทวทัพก็โกรธแค้นมากก็หาทางที่จะปรองระชนพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่าถ้าพระเจ้าปรินิพพานหรือสินน้นพชนะตัวเองก็จะสามารถเป็นใหญ่ได้เพราะว่าวางแผนไว้แล้วสร้างแนวร่วมกับพระเจ้ า, าชาติศัตรูสนับสนุนให้พระเจ้ า, าชาติศัตรูนิยึดอำนาจจากพ่อคือพระเจ้าป็นพิสาร นี่เป็นนักการเมืองโดยแท้เลยนะพร ะ, พระเทวทัตเนี่ยเพราคิดว่าถ้าตัวเองนี้มีได้การบลุดจากพระเจ้าชาติศัตรูก็สามารถจะปกครองคณะสงฆ์ไดนะ้ก็ร่วมมือกันนะพยายามที่จะรอบปวงพระชนพกพระเจ้านะจ้างคนมายิงธนูเพื่อรอบสังหารพระ เ, เจ้าบ้างหรือว่ากลิ้งหินนะเพื่อที่จะนะทับพระองค์บ้าง ใครที่ไปข่าวขีฉกูดน ะ, ะมาคุเทกคงจะาชี้นะว่าตรงไหนเป็นจุดที่พระเทวทัตนี่กลิ้งหินใสพระ เ, เจ้าแต่ว่าไม่ไม่สำเร็จผลพองค์ก็เพียงแต่ได้รับเศษหินนะห่อพระบาทห่อเลือดห่อพระโลหิตที่พระบาทนะก็ยังไม่ยอมแพ้นะ ก็ยังได้หล่นขนขวายนะที่จะทำร้ายพุทเจ้าสั่งการให้ช้างนาราคิรีมามาทำร้ายพระองค์แต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จพุทเจ้าก็ใช้พระเมตตานี่นะสะกดช้างนาราคิรีอันนี้เห็นได้ว่าเทวประธานนี่ก็ทำอะไรหลายอย่างนะแต่ว่าพระองค์นี่ก็ไม่ตอบโต้เลย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 ทำไม่สําเร็จนี่ก็เสียใจมากทําอย่างไรทำํำไรก็ไม่สําเร็จถ้าถึงจุดหนึ่งก็เกิดความสํานึกผิดขึ้นมาอยากจะไปขอโทษพระพุทธเจ้าตอนนั้นอาพาธแล้วผิดหวังมากจนป่วยไอ้ฤทธิ์ที่มีนี่ไม่ช่วยเลยนะพระเจ้าที่มีฤทธิ์เยอะนะมีฤทธิ์มากแต่ว่าไม่ช่วยเลยเพราะว่าฤทธิ์ที่มันไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้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 กีดกันกล่าวประนามหรือว่าขัดขวางพระเทวทัตนี่ก็คงจะเรื่องก็คงจะยืดเยอะแต่พระองค์ก็ไม่ทําอย่างนั้นเลยในสุดนะก็สามารถจะชนะใจพระเทวทัตได้พระเทวทัตเกิดความสํานึกผิดขึ้นมาพยายามที่จะมาฝ้าเพื่อเจ้าพเพื่อขอขอขมาแต่ไม่สําเร็จนะถูกธรณีสูบ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 คือนอกจากจะไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงแล้วเนี่ยยังหยิบยื่นความดียังหยิบยื่นน้ำใจให้ยังหยิบยืน่นความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติไม่ทําให้เกิดความสงบเป็นเกิดความสันติได้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 เขาไม่พอใจมากนี่ยิงปืนใส่เลยนะยิงปืนขู่ท่บอกบอกรถต้นไม้นี่บนเนื้อศีรษะท่านร่วงมิงร่วงกลาวเลยยิงปืนขู่เนื้อศีรษะเชีย่ยวศีรษะไปแต่ท่านก็ไม่หวั่นเกรงนะท่านก็ไม่ไดโกรธเขาก็เพียงแต่ขวางเอาไว้เท่านั้นแหละไม่ได้คิดจะด่าหรือโจมตีเขาแต่ว่าขนาดที่ยิงปืนขู่ท่านก็ไม่กลัว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 หรือว่าหยิบยืน่นน้ำใจไมตรีให้อันนี้แหละเป็นวิสัยของชาวพุทธอ่ะค่่มี้ก็พูดกเท่านี้น ะ, ะกราบพระ